ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรากำลังกระทำและรู้จักพอใจในผลที่ได้รับจากการกระทำความสงบเบา อ, อกเบาใจก็จะบังเกิดขึ้นทันทีอาจารย์กาพลทองบุญนุ่ม การฟังธรรมก็ดีการพิจารณาธรรมก็ดีหรือการปฏิบัติธรรมก็ดีอันนี้ก็เป็นไปเพื่อนำออากมาแก้ปัญหาตัวเองทั้งนั้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความพ้นทุกข์การปฏิบัติธรรมเราควรจะเริ่มต้นที่ไหน ตั้งต้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะเริ่มที่ไหนดีถ้าเราจะตั้งต้นการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องนั้นก็ควรที่จะมาเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นจากการเจริญสตินี่แหละถูกตรงที่สุดเลยเริ่มจากการเจริญสติกลับมารู้กายรู้ใจรู้จักตัวเรานี่แหละนี่เป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการคิดนึก แต่เป็นการที่จะลงมือกระทําให้มันมีขึ้นในตัวเราก็คือการเจริญสติทําไมเราจึงต้องเริ่มต้นโดยการเจริสติอันนี้มีเหตุผลเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมักจะคิดปรุงแต่งออกไปนอกตัวเราเคยทิ้นที่จะคิดเคยตัวที่จะคิดปรุงแต่งไปตามความเคยชินไปตามกิเลส ซึ่งเป็นการท่งจิตออกนอกตรงนั้นไม่ได้กลับมาดูตัวเราเลยอเ น, นี้ยเป็นอุปนิสัยที่เป็นความเคยชินของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยหลงไปกับความคิดปรุงร้านเราจะสังเกตดูได้ว่าเวลาเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยดูเถอะจิตใจไม่ได้อยู่กับการกระทำเลยใจก็คิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆดูอย่างตอนเนี้ย กำลังฟังธรรมอยู่นี่เชื่อเลยว่าใจเราบางทีไม่ไอยู่กับการฟังธรรมอยู่กับการคิดไมได่อยู่กับการฟังธรรมแม้แต่จะดูทีวีบางทีเรื่องที่เราชอบเราตั้งใจจะดูแต่ดูได้เดียวเดีวยวเดี๋ยวใจเราก็คิดไปเรื่องอื่นแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังดูทีวีคือใจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้เป็นนิสัยของจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นความเคยชินแบบนั้นละ่ะ การใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสังเกตดูดิกายอยู่ที่หนึ่งใจก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งการนั่งทานข้าวขณะทานข้าวอยู่เนี่ยจิตใจไม่ได้อยู่การทานข้าวอยู่กับอะไรอยู่กับความคิดต่างๆที่เราจะต้องรีบไปทำหรือเรื่องที่ทำไปแล้วมันสำเร็จรุนร่วงไปด้วยดีไหมมันก็คิดปรุงแต่งออกไปนอกเนื้อนอกตัวเราการทานข้าวการแต่งเนื้อแต่งตัวการจะ ขับทายปัสสาวะอุจลระไม่อยู่กับการกระทาของเราเลยเช่นการทำงานกับเหมือนกันนะการเดินไปทำงานแต่ละก้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้มีใจอยู่กับการเดินใจเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีแต่ร่างกายเดินเหมือนสรากศพที่ไร้วิญญาณกายอยู่ที่หนึ่งใจก็ล่องลอยไปที่หนึ่งการทำงานการกวาดบ้านถูบ้าน ก็มีการกระทำอยู่แต่จิตใจเนี่ยไมไ่อยู่การกระทำในวงงานของเราแม้แต่การขับรถการขับรถเนี่ยเราไม่อยู่กับการขับรถร้อยเนจะสังเกต ด, ดูนะบางทีเราก็มองนูน่นมองนี่คิดนูน่นคิดนี่บางทีลืมไปว่าเรากำลังขับรถขับรถด้วยความเคยชินชมันก็อันตรายจิตใจไม่ได้จดจ่อยอยู่การขับรถ ก็เกิดความผิดพลาดกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับกายอันนี้เป็นการเผลอสติมันก็มีความผิดพลาดอยู่เสมอๆจะสังเกต ด, ดูนะถ้าเราขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจใเรื่ อ, อยๆงานที่เรากำลังกระทำอยู่มันก็ผิดพลาดจิตใจไม่ได้จดจ่อยอยู่การทำงานจะผิดบ่อยๆเผลอบ่อยๆลืมบ่อยๆ อ, อันนี้เพราะว่าขาดสติ ถ้าเราผิดพลาดบ่อยๆ อ, อันนี้สังเกตุเถอะว่าเราขาดสติแล้วเป็นจุดบ่งบอกว่าเรามีสติหรือไม่ในขณะทาธธรรงานงานผิดพลาดอันนี้เกิดจากการขาดสติอันนี้เป็นเพราะว่าจิตใจมันหลงไปกับความคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเราขาดสติสติน้อยไปหน่อยจึงปล่อยจิตปล่อยใจให้ตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดแต่อารมณ์ต่างๆ เราต้องมีการมาเจริญสติให้จิตใจมาอยู่กับตัวเราเองกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยแลอยู่กับตัวเราเองที่มีความปลอดภัยฝึกความเคยชินแบบใหม่สร้างความเคยชินแบบใหม่ไอ้ความเคยชินเก่าๆเนี่ยเรามาก็บเผลอไปกับอารมณ์ต่างๆอันนี้โดยปกติการเจริญสติเป็นการสร้างความเคยชินแบบใหม่ให้จิตเนี่ยกลับมารู้ตัวเรามารู้ตัวเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเรา ให้สติมันเจริญเจริญเนี่ยเมื่อเรามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมันก็มีผลนะสติมันเกิดขึ้นเองได้มันเป็นความเคยชินที่จะเกิดสติได้ง่ายง่ายที่จะมีสติมันยากและที่จะเพลอละมันง่ายที่จะมีสติบางทีเราไม่ได้เจริญไม่ได้ตั้งใจใมีสติสติก็เกิดขึ้นมาเองได้เนี่ยเราสอนจิตใจเราจิตมันก็สามารถทาตามความเคยชินแบบใหม่ แบบที่จะมีสติอยู่เสมอเสมอแล้วเมื่อมีสติอยู่อบ่อยเนี่ยมันมีผลทําให้เกิดเป็นสมาธิมีสมาธิตั้งมัน่นจิตใจจดจอ่ออยู่กับการทําหน้าที่อยู่กับการใช้ชีวิตจิตมันก็จะเริ่มเบามันสบายแล้วถ้ามีสติมีสมาธิแล้วสบายแล้วมันจะมีความผ่อนคลายไม่เครียดถ้ามีสติมีสมาธิมีความเพียรผลสุดท้ายก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง เรื่องกายเรื่องจิตของเราคือเรื่องของตัวเราเนี่ยเราต้องมีการเจริญสติอยู่ใบ่อยๆเนืองๆเพื่อความไม่ประมาตที่นี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจใถูกต้องสะก่อนว่าการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติมันมีผลนะมีผลทําให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้ น, นจะต้องเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเจริญสติเพื่อความ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อความปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดอะไรเข้าจงปล่อยวางทุกอย่างที่เรารู้ได้อย่าไปยึดติดมันจะผิดทางอางเช่นว่าเรามีสติรู้กายเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยถ้าเรารู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็อย่าไปติดอยู่กับกายอย่าเข้าไปยึดติดกับกายอย่ายึดติดว่าอ๋อนี่กายเป็นเรานะเราเคลื่อนไหวไม่ใช่อย่างนั้นกายคือกาย สักแตว่าให้เรารู้เท่านั้นจงปล่อยวางกายซะอย่าไปยึดติดกายว่าเป็นเราอันนี้ถูกต้องแม้แต่การรู้ลมหยายใจหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมีสติรู้ก็อย่าไปยึดติดในลมหยายใจว่าลมหยายใจนี้เป็นเราจงปล่อยวางลมหยายใจซะสักแต่ว่ารู้ลมหยายใจอันนียจะต้องเป็นไปเพื่อความไม่ยึดติดต้องเป็นไปเพื่อความปล่อยวางแม้แต่จิตใจที่มันคิดนึกฟุ้งซ่าน ไปแนอารมณ์ต่างๆถ้าเรามีสติรู้ทัน mm. ก็อย่าไปยึดติดว่าอ๋อไอความฟุ้งซ่านนี่เป็นเราไอความคิดนี่เป็นเราจงปล่อยวางความคิดนั้นซะแล้วก็พ้นออกมาจากความคิดปรุงแต่งต่างๆหรือแม้แต่ส่วนของความทุกข์ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อย่าไปคิดปรุงแต่งเผลอไปนอกตวัวก็กลับมารู้ทันอ๋อนี่กายมันป่วยนะกายมันป่วยใจไม่ได้ป่วยกายมันทุกข์ ใจไม่ได้ทุกข์ใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูนะอย่าไปยึดติดว่ากายที่ป่วยเนี่ยเป็นเราป่วยเป็นเปนเรื่องของกา ย, ยจงปล่อยวางกายซะแล้วก็รู้เท่าทาันกายก็ช่วยเหลือเข้าไปด้วยสติด้วยปัญญาของเราแม้จิตใจที่มันสงบเย็นสบายความสงบเนี่ยมันง่ายต่อการที่เราจะมียึดติดได้ให้เรามีสติรู้ทันรู้เท่าทันในความสงบ อย่าไปยึดติดว่าในความสงบเป็นเราเราเข้าอยู่ในความสงบให้มีสติรู้ทันในความสงบแล้วก็ปล่อยวางไม่กระทั่งความสงบการปฏิบัติธรรมเนี่ยในรูปแบบต่างๆรูปแบบก็ต้องปล่อยวางในรูปแบบแต่อาศัยรูปแบบแม้แต่การหลุดพ้นมากผลนิพพานที่เกิดขึ้นเราก็ยึดติดไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเราจึงจะหลุดพ้นจริง มันไม่มีใครหลุดพ้นหรอกไม่มีตัวตนผู้หลุดพ้นมีแต่ตัวสติปัญญาเท่านั้นอะที่มันพ้นได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเรารู้อะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามก็อย่าไปยึดติดปล่อยวางในสิ่งที่เราเห็นปล่อยวางไม่กระทั่งจิตผู้รู้ไม่มีตัวตนในจิตผู้รู้มีแต่สักแต่ว่ารู้เป็นเปลี่ยนแก้สภาวะธรรมเท่านั้นอย่าเอาความรู้สึกตัวรู้เนี่ยเป็นตัวเรา เปลนเพียงแค่สภาวะที่รู้ไม่มีตัวตนในสิ่งที่เรารู้ไม่มีตัวตนในความรู้สึกตัวตัวนถ้าเราปฏิบัติแบบไม่ยึดติดแล้วก็ไปวางเนี่ยมันก็จะหลุดพ้นได้จริงเพราะการหลุดพ้นที่แท้จริงนั้นไม่มีตัวตนผู้หลุดพ้นหรอกเรื่องการปฏิบัติแต่ก็ยังมีได้ทำบางท่านก็อาจจะมาพูดคุยว่าเนี่ยเขาปฏิบัติมานานแล้วปฏิบัติมาม า, มากแล้วทําไมจึงไม่เห็นความก้าวหน้า บางทีความก้าวหน้าของเราเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปก็ได้เรามีความหวังผลมากเกินไปอยากมากเกินไปอยากได้มรรคผลนิพพานหวังผลไปไกลเลยมันก็ทาให้เราเกิดความท้อแท้ใจท้อถอยความเปลี่ยนไม่อยากปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้ผลก้าวหน้าเนละที่กิงความก้าวหน้านะั้นมีอยู่ถ้าเราไม่มีความต้องการมากเกินไปเราจะไม่ยึดมั่นในผลมากเกินไปความก้าวหน้ามีอยู่แล้ว บางทีไม่อ่าเกิดจากว่าเราไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลยเราทำทำหยุดหยุดครึ่งๆกลางกางขยันก็ทําทขี้เกียจก็หยุดอันนี้ผลก็จะไม่ชัดเจนนะถ้าเราขายันก็ทําไปขี้เกียจก็ทําทไปทําไม่ต่อเนื่องบ่อยๆหนึ่งๆเนี้ยผลมันก็จะชัดเจนขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าก่อน ท, นที่เราจะปฏิบัติทำเราเนี่ยขาดสติเปรียบเทียบผลกับอดีตกับปัจจุบันก็ได้ แต่ก่อนเราเป็นคนขาดสติเวลาอารมณ์อะไรมากระทบกับผูดตามอารมณ์ทําตามอารมณ์เกิดความผิดพลาดบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้พอเราปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะมากขึ้นสติมันเกิดได้ง่ายสติมากขึ้นรู้ทันจิตทันใจเรามากขึ้นมางดีเห็นจิตใจเรามันคิดมันปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตา เห็นการเกิดดับของความคิดของจิตของใจบางทีเกิดการปล่อยวางได้ง่ายๆันนะไม่ยึดติดในอารมณ์ตอนนั้นปัญหาชีวิตต่างๆมันก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนความทุกข์ก็ลดลงเห็นไหมอันนี้มันเป็นผลในปัจจุบันที่เราสัมผัสได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยความทุกข์ลดลงเนี่ยโอ้พอใจแล้วพอใจแล้ ว, ลวนี่แหละดีแล้วผลมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่ว่าเราพลิกมือและรู้สึกได้ผลแล้ว ความมือลองรู้สึกก็ได้ผลแล้วหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ผลก็ปรากฏขึ้นทันทีเลยเวลาจิตมันคิดสติรู้แค่รู้เนี่ยผลก็เกิดขึ้นแล้วนะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่าไปมองไกลเพราะธรรมะเนี่ยเป็นอากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดกา ร, การทําปับ๊บได้ผลปั๊บเลยทันทีเลยเรามักจะตั้งคํำถามกับตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ย เราได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมบ้างอันนี้เป็นคำถามซึ่งเป็นความอยากได้ถ้าเราถามอย่างนั้นเนี่ยใจเราก็จะดินน้นรนทยานอยากมันก็มีความทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนคำถามสช่ไหมจากการที่ถามว่าเราได้อะไรจากการปฏิบัติบ้างเปลี่ยนเป็นเราปล่อยวางอะไรได้บ้างอันนี้ผลมันจะชัดเจนเพราะการปล่อยวางเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยสบายเบาอกเบาใจ ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีผลอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละให้เราสรุปทุกข์กลับไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเรายึดติดต้องการผลเราก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเราปล่อยวางไม่หวังในผลการปฏิบตัติเราก็ไม่ทุกข์ใจทุกข์กับไม่ทุกข์เนี่ยเราจะเลือกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรากําลังกระทําแล้วก็รู้จักพอใจในผลที่เรา กำลังได้รับจากการกระทําความสงบความเบาอกเบาใจก็จะเกิดขึ้นทันที